อันลำดับตอนนี้ไปก็ขอเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายชมรมพุทธศาสตร์ทอทีตั้งใจสดับตับฟังก็นับว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เข้ามาสู่สถาบันหนดีในการเทศนาหรืออบรมนะโมตสักเพราะวะโต อรหโตสัมมาสัมบุตตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหโตสัมมาสัมบุตตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหโตสัมมาสัมบุตตัสสะสะพะปะปัสสะอากาศลาังกุสะลาสูปัสสัมปทาสัจจ ตัพปิโยทัพปนังเอตังพุทธาสะสะนัสสะสันนันติตะธรรมะปริยาจัตสัตปทโฮสะถาจัสมันเทหิสเกจจังธมโมโซตัมโบตีณนะโอกาสนี้จกได้น้อมนำเอาธรรมะ ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแสดงชี้แจงเพื่อเป็นแนวทางแห่งการศึกษาและการปฏิบัติธรรมของท่านผู้ใฝ่ธรรมเป็นลำดับต่อไปวันนี้ชมรมพุทธศาสตร์ TOT ได้จัด ให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาในวันสุกสุดท้ายของเดือนในเดือนหนึ่งมีสุกกลางเดือนและสุกสุดท้ายของเดือนก็นว่าเป็นการเพิ่มภูนบุญธรรมคําสังสอนที่จะนำมากล่าวในคราวนี้ก็อยู่ในข้อ ที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งชมรมพุทธศาสนาขึ้นมาก็เพื่อที่จะหล่อหลอมให้เพื่อนสมาชิกได้นำธรรมะไปใช้อย่างมีหลักและมีเหตุมีผลแล้วก็เพื่อศึกษาปฏิปทา ครวาอาจารย์ในสายต่างๆที่เผยแผ่ ธ, ธรรมะแล้วหลังจากนั้นก็จะทำให้เรานั้นเป็นผู้อยู่ในไตสรณะคมน้อม น, นำเอาธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปถือปฏิบัติในชีวิตประจำวันใน สถานภาพของความเป็นคารวาสก็มีธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้อย่างมั่นเหมาะแล้วดังนั้นแนวทางที่จะดำเนินไปเพื่อการเข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างมีหลักและมีเหตุมีผลก็ได้ยกภาสิต ที่ประมวลคำที่คำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ เ, ทเจ้า8 4ด0 0สี่พันพระธรรมขันธ์ก็คือ8 4ด0 0สี่ันคำเมื่อย่นยอ่อลงเหลือสามก็คือสัพพปาปัสสะอักลานังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสู้ปะซัมปธาการยังกุศลให้ถึงพร้อม สัจจตาปริโยธปนังการทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วสามประการนี้เป็นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตัดเล็กกล่าวสอน8ปด0 0สี่พรรันพรรธมกขันเมื่อย่อลงมาให้เห็นก็จะได้สามข้อความดังที่กล่าว ถ้าพูดเป็นภาษาไทยก็คือละชั่วบําเพ็ญบุญทำจิตของตนให้พองใสละชั่วจากอะไรละชั่วจากสภาพแวดล้อมที่มันผิดทั้งทางคดีโลกและทางคดีธรรมก็คืองดเวร จากก า, การทำผิดศีลห้าข้อแล้วมาประกอบคืออยู่ในศีลในสัตว์สมาทานศีลห้าข้อเพื่อมาเป็นแนวแห่งการถือและการปฏิบัติสืกไปที่นี้ศีลห้าข้อข้อแรกไม่ฆ่าสัตว์ข้อสองไม่ลักทรัพย์ ข้อสามไม่ประพฤติผิดประเวณีข้อสี่ไม่กล่าวคำเท็จข้อห้าไม่ดื่มสุรามและเมลัยหรือของมึนเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทห้าประการนี้บัตรนี้ท่านทั้งหลายเป็นผู้มีศีลด้วยการปฏิญาณตนต่อตนะหนัก อันมีพระสงฆ์เป็นรูปประธรรมให้เราได้เป็นที่ยึดและเป็นที่ปฏิญญาณตน <c oughs> ถึงศีลห้าข้อแล้วก็ทากายรมวาจาของตนให้บริสุทธิ์ณบัดนี้ดังนั้นณบัดนี้ท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์ละ ชั่วจากการฆ่าสัตว์รักษัพประพุทธผิดประเวณีกล่าวคำเทศและดื่มสุราเมลัยและของมึนเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทได้เพราะณบัดนี้กายก็ไม่ได้ทำผิดวาจาก็ไม่ได้ทำผิดดังนั้นศีลรักษากายวาจาจึงครบถ้วนบริบูรณ์กับท่าน ที่ได้สมาทานไปแล้วจากนี้ไปเป็นชั่วโมงถ้าท่านไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ไปผิดอะไรอยู่ด้วยความสงบก็จกเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์มีศีลอันไม่ด่างพร้อยเพราะไม่ได้ไปผิดทางทางกายเพราะได้ไม่ไปผิดทางทางใจโดยเหตุนี้จึงได้ชื่อว่า เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เมื่อเรามีศีลบริสุทธิ <c> ์ <oughs> ก็เท่ากับเราได้ละชั่วมาแล้วละชั่วมาบำเพ็ญบุญทีนี้จะบำเพ็ญบุญต่อไปด้วยการให้ทานการสมาทานศีลมันอยู่ในความนึกคิดอยู่ในเจตนาอันเป็นกุศลของเราอยู่ตลอดเวลา เกิดมาเป็นชาวพุทธมีประเทศไทยอันเป็นศูนย์กลางมีพระพุทธศาสนาอันครบถ้วนมีพระไตรปิฎกอันตรวจสอบได้ก็มีอยู่ในเมืองไทยดังนั้นชีวิตจิตใจของพวกเรา จึงมีแต่การที่เจตนาเป็นกุศลเมื่อเจตนาเป็นกุศลก็ใคร่ในการบุญการกุศลอย่างวันนี้ได้สดัตับฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็ให้ทานด้วยการถวายอาหารบิณฑบาตถวายจตุปัจจะยถยทานเครื่องไทยยรรมอันนี้แหละว่าสั่งสมบุญแล้วกําลังสั่งสมด้วยการบำเพ็ญธรรมสวนาใหม่ บุญสำเร็จด้วยการสดับตบับฟังพระธรรมเทศนาอันเป็นกิริยาบุญหนึ่งในสิบประการนั้นนี่เราก็กําลังบำเพ็ญกันอยู่เนืการสับตบับฟังพระธรร ม, มเทศนาเมื่อเราฟังบ่อยๆก็จะทำให้เกิดปัญญาทำให้เกิดมีแนวความคิด เนี่ยละชั่วมาแล้วก็มาบำเพ็ญบุญทีนี้ทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วหลักของการทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วก็จะต้องศึกษาฝึกจิตก็คือมาฝึกจิตของตัวเองให้จิตเป็นสมาธินั่นเองบัดนี้ในฐานะท่านทั้งหลายได้ตั้งชมลมขึ้นมาก็นิมนต์ครูบาอาจารย์หลากหลายมาแสดงธรรม เราก็ได้แนวจากหลายๆครูบาอาจารย์เป็นต้นว่าสายหลวงปู่มั่นสายหลวงปู่พุทธธาตุสายหลวงพ่อสดสายหลวงพ่อฤาษีดิงดำแต่ละสายละสายล้วนแต่มุ่งมั่นเพื่อให้เกิดความสงบสุขและกความหลุดพ้นทั้งนั้นสายหลวงปู่มั่น ใช้คำบริกรรมพุทธโธกำหนดลมหายใจอันเป็นอนาปานสติสายหลวงพ่อหลวงปู่พุทธธาตุก็ให้เราปล่อยว่างปล่อยวางท่านจะเอาแบบปรลมัิคือทำจิตให้ว่างไม่ให้กังวลกับอารมณ์สายหลวงพ่อสด สร้างเป็นรูปประธรรมให้เพ่งไปจุดหนึ่งให้ผินเป็นรูปแก้วหรือให้เป็นวงกลมเป็นดวงสายหลวงพ่อฤาษีลิงดำสร้างมโนมยิทิพาไปเที่ยวนรกสวรรค์แล้วให้เกิดธรรมะในที่สุดนี่มันจะมีแนวกันไปหมดบอกไว้หมด ที่เราได้ปฏิบัติตามปฏิปทาของครูบาอาจารย์ที่นี่ของหลว ง, ง, งปู่มั่นจะมีสิษยิญานุสิทธโดดเด่นเป็นพระอริยะเทพทั้งนั้นที่เราได้สัมผัสกันมาแล้วที่จังละจากโลกนี้ไปก็ยังดำรงชีพอยู่ก็ตามล้วนแล้วแต่เป็นพระสุปฏิปันโน เป็นผู้ยึดถือยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุธเทธเจ้าดังนั้นในหลักการสอนท่านจะสอนให้เจริญอาณาปานสติอย่างท่านพอลีแห่งวัดอโศการามซึ่งเป็นอาจารย์ อีกองหนึ่งที่อาตมาได้ไปพำนักอยู่กับท่านตั้งแต่ 2,503 ก่อนที่ท่านจมนะมรณภาพจนกระทั่งถึง 2,510 ได้คืนกลับไปจังหวัดเลยธรรมะของท่านนั้นคมมากแล้วก็นำไปถือประพฤติปฏิบัติได้อย่างง่ายดายไม่ต้องไปแปรอะไรมาก ท่านจะเอาอนาปานุสติก็คือการเจริญอนาปานุสติกำหนดลมหายใจโดยจะให้วิธีการนับนั่นเพื่อจะทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วตามหลักคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ เ, ทเจ้าก็คือให้อธิษฐานจิต อธิฐานภาวนาบางสำนักท่านก็จะกล่าวเป็นภาษาไทยว่าข้าพเจ้าจะเจริญกรรมฐ า, านภาวนาบูชาพระรัตนตรัยอุดมสั่งสมทะสศบาลมีธรรมบำเพ็ญอิทิบาททั้งสี่บ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการสังหารนิวรห้าให้เกิดหาย สืบสายวิตกวิจารปิติสิริร่วมสุขเอกขตาต่อมาให้ถึงฌานสี่พร้อมด้วยวสีทั้งห้าเดินมาคาพระอริยสมังคีล้างทุลีกิเลสให้ศูนย์ตัดมูลอาสวะอนุสัยห่างไกลสังโยชน์ทั้งปวง ล่วงถึงประโยชน์ยิ่งใหญ่ขอคุณพระรัตนไตรคุณไทยอธิราชเทวา่าคุณมารดาบิดาคูบาอาจารย์คุณความดีทุกประการจงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้าบรรเทาทุกร้อนให้เหือดหายทำลายมารห้าให้พินาน ปาสจากพยันตรายดีรันกรเกษมสันประสบสิ่งเสมอใจสมดังความมุ่งหมายในกาละบัตรนี้เถืนอันนี้เรียกว่าเป็นการอธิษฐานภาวนาด้วยภาษาไทยแล้วต่อแต่นั้นมาท่านก็ให้ตั้งใจกำหนดลมหายใจเข้าออกหายใจเข้ายาว ของท่านลองหายใจเข้ายาวๆลองดูดันลมเข้าไปกั้นไว้นิดหนึ่งแล้วก็ผ่อนลมออกยาวๆมันก็จะผ่อนออกยาวเองก็เป็นการพักผ่อนหัวใจไม่ทำงานมากนักไม่ทางานหนักแล้วก็หายใจเข้ายาวดันลมเขา้าสามเฮือกสี่เฮือกหรืออย่างอย่างสูงสุดให้ได้เก้าครั้ง แล้วเสร็จแล้วก็หายใจเข้ายาวธรรมดาหายใจออกยาวธรรมดากําหนดลูกระแส จ, จิตพลังของจิตมันก็ค่อยๆรวมตัวกันเข้ารวมตัวกันเข้าจนกระทั่งกระแส จ, จิตของเราที่มันรวมลงมาทั้งพลังด้วยมันก็จะทําให้จิตของเรานั้นหนักแน่นขึงขัง สติก็คอยปลุกเราให้เกิดความตื่นตัวเมื่อเป็นลักษณะอย่างนี้ก็จะทำให้จิตของเรานั้นดิ่งลงไปสู่ความสงบเพียงแต่เราหายใจเข้ายาวกั้นไว้นิดหนึ่งแล้วก็ผ่อนออกมายาวใครเห็นอะไรเกิดขึ้น มันก็อาจจะปรากฏขึ้นแต่ละคนละคนเมื่อจิตมันนิ่งลงนี่วิธีง่ายๆ <c oughs> พอลมหายใจเข้าออกนั้นเราทำเป็นปกติทีนี้พอหายใจเข้าไปมันจะเกิดภาวะการขึ้นนั่นก็คือจุดประการจุดประกายแห่ง ความเบากายจะเกิดขึ้นความเบาใจจะเกิดขึ้นเป็นลักษณะอย่างนี้ท่านเรียกว่าภาวะธรรมคือการที่จิตกระแสจิตพลังจิตรวมกันลงในศูนย์กลางการกำหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ย เราหายใจครั้งแรกไม่ต้องไปกําหนดจุดหายใจเข้าไปให้ลึกๆจนถึงสะดืออนุมานเอาว่าสะดืออยู่ตรงจุดที่มันหายใจลึกๆเข้าไปถึงแล้วก็หายใจออกยาวกระทาอยู่อย่างนี้ก็จะปรากฏปรากฏความเบากายเบาใจเกิดขึ้น นั่นท่านได้สัมผัสกับปิติและสุขจะมาพร้อมกันปิติกับสุขเป็นผลพวงของการที่ท่านได้กำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างต่อเนื่องและมีสติพลังจิตกระแส จ, จิตรวมลงพลังจิตรวมลงจะเกิดความหนักแน่น สามารถเป็นพลังหนักกระแสจิตรวมลงจะให้เกิดแสงสว่างอย่ยพลังทั้งสองประการรวมลงกับจิตก็จะทำให้จิตของเรานั้นนิ่งลงไปเมื่อจิตนิ่งก็จะปรากฏความเบากายเบาใจ ความสุขแล้วจะมีความคิดเกิดขึ้นว่าให้เอาความรู้ที่บันเกิดขึ้นใหม่ๆคือปิติสุขเพ่งไปที่ตัวรู้คือจิตตั้งจิตไว้ในระหว่างกลางระหว่างหัวใจกับสะดือกำหนดไว้ตรงจุดนั้นแล้วก็ ทำกระแสหรือภาวะการที่มันเกิดขึ้นนำความรู้ใหม่ก็คือปิติและสุขเพ่งลงไปก็จะเกิดความนิ่งลงเป็นเอกะขะตานั่นแหละคือกระบวนการในการฝึกในการฝึ ก, กจิตโดยวิธีไม่มีอะไรช่วยนี่เป็นวิธีที่กำหนดลมหายใจเข้าออก นี่เราได้สามข้อแล้วปิติสุขเอกขตาความเป็นหนึ่งดิ่งลงไปแล้วนิ่งลงไปอันนี้จิตเป็นสมาธิทีนี้เมื่อจิตเป็นสมาธิมันจะเกิดแนวความคิดขึ้นแนวความคิดนี่แหละมันจะพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้มีปัญญา คิดจากจุดเล็กๆแล้วมันก็จะกอกเงยจเจริญขึ้นหลังจากนั้นเมื่อจิตของเรานิ่งและสงบลงไปปรากฏแสงสว่างบางทีก็ไม่ชัดเจนสำหรับใหม่ขมุกขมัวสลัวไม่ชัด ทีนี้เราจะเห็นเราจะทำให้มันได้เห็นเด่นชัดว่ากระแสของจิตมันปรากฏอย่างไรเกิดขึ้นอย่างไรแล้วก็กดเปลือกตาทั้งสองข้างให้สนิทจนดำเป็นม่านดำมืดแล้วก็จะปรากฏจุดขาวขึ้นในที่เรากดเปลือกตาลงไปนั้นมาปรากฏขึ้นมาแทนที่ นั่นแหละคือประกายประกายแห่งกระแสจิตธรรมชาติของจิตนี้เป็นประพัดสอนคือใสสะอาดไม่มีมนทินเปืเป้อน ด, ดังนั้นเมื่อเราสร้างภาวะการนี้ก็จะทำให้เกิดการมองเห็นเห็นภาพนิมิตเหล่านั้นปรากฏ จิตก็จะรวมลงไปสู่ฐานคือเป็นอารมณ์เดียวไม่เกาะเกี่ยวกับอารมณ์ภายนอกที่ท่านเรียกว่าเอกคตาเราได้แล้วสามข้อแล้จากปิติของการเบากายเบาใจจากความนิ่งที่เราเอาตัวรู้คือเบากายเบาใจเพ่งไปที่จิต เกิดแนวความนิ่งเด่นชัดมั่นคงเมื่อเราถอนจิตออกมาก็จะพบว่าออวิตกวิจารสองตัวเรายังไม่ได้พิจารณาอะไรเป็นวิตกการกำหนดลมหายใจเข้ายาวออกยาวก็เกิดความกังขาขึ้นมาแล้วคือวิตก เมื่อกระทําได้คล่องตัวหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวคล่องตัวมันก็กลายเป็นวิจาร์ดังนั้นองค์ประกอบของสมาธิในเบื้องต้นเข้าสู่กระแส จ, จิตเข้าสู่ความเป็นผู้มีความพร้อมแห่งเราครบถ้วนกระบวนการ ให้เราพิจารณาดูเถอดละการเพียงอธิษฐานเท่านั้นแหละก็ขนลุกชูชันขึ้นทั่วสันผางกายนั่นแหละเขาเรียกว่าปิติเกิดขึ้นในจุดแรกเราจะต้องทำสมถะให้มันปรากฏเสียก่อนเมื่อสมถะเกิดขึ้นต่อแต่นั้นเราก็จะต้องศึกษา ด้วยปัญญาหรือความคิดที่มันโผรขึ้นมาในขณะจิตสงบนั่นเองแล้วนำแนวความคิดเหล่านั้นมาพิจารณาให้พิจารณาภาครวมเพื่อให้มันเกิดเป็นนิสัยเกิดเป็นแนวปฏิบัติในในวิธีการอย่างนี้สืบไปก็ด้วยการที่เรามาพิจารณาสามัญรักษนะ สามัญยลักษณะก็คือกฎเกณฑ์ที่มันเป็นสามัญคือกฎของไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาก็คืออดิจังทุกขังอนัตตาอนันนจจังก็คือความไม่เที่ยงทุกขังก็คือความเป็นทุกข์ อนัตตามันของที่มิใช่ตัวตนไม่ว่าจะเป็นของภายนอกหรือตัวตนของเรานี้มันก็เป็นอนัตตามันไม่ใช่เป็นอัตตาคือของเราตัวเราถ้ามันเป็นของเราตัวเรามันก็ควบคุมได้นี้เราควบคุมไม่ได้มันอยู่นอก มันอยู่มันมันอยู่นอกอำนาจไม่สามารถที่จะควบคุมมันจึงเป็นกฎของไตรักหรือเป็นกฎสามัญกฎที่มันเกิดขึ้นไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาอะไรไม่เที่ยงอะ่ะเราก็มาพิจารณากฎของธรรมดาต่อมาชาติความเกิดชราความแก่ พยาธิความเจ็บมรณะความตายเราจะต้องพิจรารณาเห็นตามเป็นจริงว่าเกิดมามันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์อย่างไรพอเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องเป็นตัวเป็นตนขึ้นมามีชีวิตจิตใจได้รับความสมหวังบ้างผิดหวังบ้างชาติเป็นทุกข์ ก็จะต้องความห่วงใยของพ่อแม่เลี้ยงดูปูปกด้วยความเป็นห่วงหาอาทรกัลลวนแต่มันเป็นความผูกพันทำให้กังวลมันก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะการพระชาติความเกิดชาราความแก่นี่จะเห็นได้เด่นชัดกับบุคคลผู้มีแก่อยู่ในวัยชารามากๆฟันก็หักหนังก็เหี่ยว กำลังวังชาก็ถดถอยหูตาก็ไม่เลยสมประกอบหน้ามืดตาลายอยู่บ่อยๆอันนี้ก็เป็นทุกข์เพราะความชราพยาธิความเจ็บความเจ็บไข้ได้ป่วยและพยาธิโรคภัยไข้เจ็บมันอยู่กับตัวเราตลอด มันเกิดพร้อมกันมามันมาพร้อมกันชาติชาติชราพยาธิและมรณะคือความพัดพากจากไปอย่างไม่มีวันกลับนี้เป็นเป็นกฎของธรรมดาทั้งกฎสามัญและกฎของธรรมดาให้เรามาพิจารณาหเห็นตามเป็นจริงให้เห็นตามที่พระพุทธเจ้าได้ตัดไว้ ที่นี้เมื่อเราเห็นตามเป็นจริงอย่างนี้เราก็ได้นิสัยหนึ่งสมถะก็ด้วยการที่บริกรรมด้วยการที่ใช้อารมณ์กรรมฐานคือการกำหนดลมหายใจเข้าออกการกำหนดลมหายใจเข้ายาวออกยาวนี่เป็นการฝึกให้เกิดสมถะ การมาพิจารณาสามัญลักษณะและกฎธรรมดาเป็นการฝึกวิปัสสนาให้เกิดเป็นนิสัยหลังจากนั้นครูบาอาจารย์ในสายของหลวงปู่มั่นเมื่อเราฝึกจิตของเราให้สงบได้ที่แล้ว ทางก็จะสอนให้เรามาพิจารณาสังขารร่างกายสังขารร่างกายที่เป็นตัวเป็นตนของเราอยู่นี้ให้พิจารณาว่าสัก์แต่ว่ากายพิจารณากรรมาฐานห้าข้อที่มองเห็นด้วยตาเปล่านี้ก่อนผมขนเล็บ ฟันและหนังห้าประกาศนี้เรามองเห็นด้วยตาเปล่าบุรพาจารย์ท่านจะสอนให้เราพิจารณาเป็นของศกกระกเป็นของปฏิกูลเป็นข่าวเป็นของเหม็นสาบเหม็นสางดูแต่ผมถ้าหากเราไม่สะไม่ทำความสะอาด ก็จะมีขี้รังแขแล้วก็หมักหมมไปด้วยฝุ่นละอองที่มันชุ่มแช่ไปด้วยปุโปโลยหิตมันก็จะโชยของสับเสมินสาบออกมาจากเส้นผมนั้นอันนี้ให้พิจารณาตามเป็นจริงอย่างนี้ที่พิจารณาขนก็ดูดเดียวกันเล็บที่งอกปลายมือปลายเท้า ก็ให้เราพิจารณาว่ามันงอกขึ้นมาเรื่อยๆถ้าหากไม่แครก็มีมูลเล็บคนอื่นมองดูก็เห็นว่า น, น่าเกียดฟันที่งอกในปากทั้งเบื้องบนและเบื้องล่างสำหรับบดเคี้ยวอาหารชุ่มแชไ่ไปด้วยน้ำลายและเสเลดปนไปด้วยเศษอาหารถ้าหากเราไม่ชาระแปรงฟันทำความสะอาดก็จะมีกลิ่นออกมา หนังห่อหุ้มร่างกายของเรานี้มองดูก็เกลียงเก่าตามผิวพันุแต่ถ้าหากไม่อาบน้ำสามวันเจ็ดวันขมุกขมอมไปด้วยเหงือ่อและฝุ่นละออง ก, ก็จะมีกลิ่นเหม็นเหม็นเหงื่อครเหม็นเปรี้ยวและกลิ่นสาบกลิ่นเหม็นหืนโชยออกมาจากในร่าง นี้จะมองเห็นแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายของเราที่เป็นตัวเป็นตนที่เรายึดมั่นถือมั่นอยู่ดันมันเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดเป็นของที่ศกกระปกท่านให้พิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงถึงแม้ว่ามันจะไม่ถ่ายถอนหรือว่าไม่หลุดออกมายัางยึดมั่นถือมั่นยังเป็นผมของเรายังเป็น เนื้อหนังมังสังของเราอยู่ก็ตามทีก่อนแต่ให้เห็นตามเป็นจริงว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันไม่สะอาดจริงๆพิจารณาเจาะลึกลงไปในธาตุในขันในตัวตนของเรามีอาหารยังตกค้างอยู่ในกระเพาะ อ, อยู่ในลำไส้ ก็จะเราจะมองเห็นและเป็นของปฏิกูลนี่ให้เห็นตามเป็นจริงนี่พิพจารณาเจาะไปที่สังขารร่างกายอันนี้อันนี้ที่เรียกว่าครูบาอาจารย์ได้มอบภูมิอริยะให้แก่เราภูมิที่จะพาเราเข้าไปสู่แดนอริยะเป็นผู้หลุดพ้นคือจะต้องพิจารณาสังขารร่างกายตามความเป็นจริง อย่างเรามีโลภมีโกรธมีหลงมันเกิดมันเป็นมันเป็นตัวมันมันเป็นรากเหง้าของอกุศลที่มันเกิดขึ้นในดวงจิตก็ให้เรานั้นมองพิจารณาตามเห็นโลภมีทุกคนโกรธมีทุกคนหลงก็มีทุกคน <c oughs> นั้นมันเป็นขั้นตอนต่อไปแต่บุรพาจารย์ทั้งหลายท่านจะให้พิจารณาเจาะจงจุดนี้ให้ฝึกอยู่ตลอดจนเป็นนิสัยเมื่อฝึกเป็นนิสัยแล้วมันก็ธรรมะข้ออื่นมันก็จะเกิดขึ้นมันเป็นปัจจัดตังรู้เฉพาะตนขึ้นมาอันนี้ให้เราทาความเข้าใจในเรื่องการ ที่จะสร้างให้เกิดภูมิอริยะทีนี้พูดถึงภูมิมันมีอยู่ภูมิภูภมิธรรมก็คือความรู้ทั้งทางคดีโลกและทางคดีธรรมมันเป็นสิ่งที่จะสร้างแนวความคิด ความรู้ให้มันเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยไม่ภูมิธรรมเกิดขึ้นทุกคนเรียนรู้ทางฝ่ายสามัญเรียนทางวิชาต่างๆตลอดจนจนทางหลักธรรมคำสอนได้อ่านพระไตรปิฎกอ่านประวัตินั่นก็คือเพิ่มความรู้จากเป็นการพระหุสูตร จึงเรียกว่าภูมิธรรม <c oughs> ทีนี้จากภูมิธรรมก็จะไปพัฒนาภูมิจิตภูมิจิตก็คือการฝึกจิตให้เป็นสมาธิกาหนดลมหายใจเข้ายาว <c oughs> กาหนดลมหายใจออกยาวสักเก้าครั้งต่อแต่นั้นก็พิจารณาจิตกระแสจิต ว่ามันรวมลงอย่างไรพลังจิตมันรวมลงอย่างไรก็หายใจเข้ายาวหายใจออกยาวหรือจะหายใจเข้าปกติเพื่อเป็นการตะล่อมจิตให้จิตรวมลงเป็นอุปจาระสมาธิ อุปจอุปจารสมาธิก็คือมีองค์ประกอบครบถ้วนวิตกวิจารเราวิตกปวิวิต ก, ก็คือการการที่เรานำคำบริกรรมเข้าไปกล่าวเกิดวิตกวิจารกังวลเห็นอยู่แล้วแล้วต่อไปเมื่อคล่องตัวก็เกิดปิติ ปิติมาพร้อมกับสุขก็มีแนวความรู้ผุดขึ้นมาให้เอาปิติกับสุขเพ่งไปที่ตัวรู้ก็จะเกิดเป็นเอกะขะตาดังนั้น <c oughs> ในอุปจารสมาธิก็มีวิตกวิจารปิติสุขและเอกะขะตาเกิดขึ้นครบนี่คือกะระแสจิต ที่มันเป็นพลังจิตที่มันจะเข้าไปก็กลายเป็นอุปจารสมาธิส่วนคณิกะสมาธินั้นทุกคนทําได้หมดตั้งใจทํางานตั้งใจเขียนหนังสือตั้งใจทําสิ่งใดซึ่งหนึ่งเรียกว่าคณิกะสมาธิส่วนอุปจารสมาธินั้นเป็นสมาธิที่เฉียดเข้าไปสู่ฌาน เมื่อเราเพ่งลงไปสู่เอกคตารมมันก็รวมลงเป็นอั ป, ปนาสมาธิและเป็นปฐมฌานแล้วเราถอนออกมาพิจารณาเห็นตามเป็นจริงตามที่มันเข้าไปนั้นแล้วก็กําหนดจิตใหม่ทีนี้มันเกิดความชํานาญขึ้นมาโดยอัตโนมัติมันก็จะไม่ต้องไป บริกรรมหรือไปกำหนดลมหายใจเพียงแต่เราคิดก็เกิดปิติและสุขเอกคตาขึ้นนี่ก็กลายเป็นว่าชวนาจิตของเราเข้าไปถึงทุติยฌานเข้าไปถึงที่สุดถอนออกมาแล้วก็ไม่มีปิติ มีแต่สุกับเอกขตาเข้าไปอีกมันก็กลายจากทุติยฌ า, านก็เป็นตติยฌ า, านมีแต่สุกับเอกขตาทีนี้เมื่อถอนออกมามันเข้าโดยอัตโนมัติมีแต่มีแต่เอกขตาคือจิตนิ่งล้วนๆกับกูเปขา ก็เป็นจตุทชาญ น, นี่คือภูมิจิตกําลังเกิดขึ้นกับตัวเราแต่ครูบาอาจารย์นั้นท่านจะสอนให้เรานั้นให้จิตเป็นสมาธิเพียงอุปจารสมาธิแล้วให้พิจารณาภูมิปัญญามันเกิดภูมิปัญญาขึ้นก็คือพิจารณาสังขารร่างกายให้เห็นตามเป็นจริง พิจารณากฎไตรักก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพิจารณากฎเกณฑ์ของธรรมดาธรรมชาติก็คือชาติความเกิดชราความแก่พยาธิความเจ็บและมรณะความตา ย, ยให้พิจารณาตามไปอย่างนี้อันนี้มันก็เป็นภูมิปัญญา สร้างภูมิปัญญาให้เกิดขึ้นส่วนภูมิอริยานั้นเจาะจงเพื่อจะเดินทางลัดเข้าไปสู่ความเป็นผู้หลุดจากจากนิวรหรือว่าจากสังโยชน์คือสู่แดนอริยะให้พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงว่าสังขารร่างกายนี้เป็นของเน่าเป็นของเปื่อย เป็นของเหม็นแม้ตัวเราเองก็มีกลิ่นเหม็นเหม็นสาบเหม็นสางเหม็นหืนอุจจาระก็มีกลิ่นเหม็นปัสสาวะก็มีกลิ่นเหม็นปากถ้าไม่รักษาให้สะอาดก็มีกลิ่นกลิ่นออกมาจากปากกลิ่นออกมาจากท้องมันล้วนแต่มามีกลิ่นออกมาอาศัยธาตุไฟมัน อุ่นอยู่เท่านั้นมันจึงไม่เหม็นแรงให้เห็นตามเป็นจริงอย่างนี้เนี่แหละว่าสักเรียกว่าสักกายทิฏฐิการที่เข้าถึงสักกายทิฏฐิหรือว่าเห็นกายสักแต่ว่ากายอ๋อกายเราพิจารณาตัวเราก่อนเห็นคนอื่นเราจะเห็นเหม็นได้ไวแต่ตัวเรานั้นมันเห็นกลิ่นเหม็นได้ช้า มันก็มีกลิ่นเหมือนกันเนี่ยมันจะกลายเป็นภูมิอริยะแล้วทีนี้สร้างภูมิอริยะให้มันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วเราก็พยายามฝึกพยายามไข้ครวนไม่ต้องไปรีบรัดไม่ต้องไปเร่งรัดไม่ต้องไปรีบร้อนค่อยๆทำด้วยความเย็นเย็นพิจารณาไปเรื่อยๆ <c oughs> เพราะไม่มีใครมาแย่งภูมิอริยะก็จะปรากฏเห็นแสงแห่งอริยะมรรคอยู่ไร่ไรถ้าเราพิจารณาเข้าไปอย่างนี้ปัญญามันก็จะเกิดขึ้นตัวปัญญาเกิดขึ้นที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นจากปรากฏมันก็จะกลายเป็นมโนธรรม มโนธรรมก็คือใคร่ครวรในจิตสภาพอย่างนี้เรายัางไม่เคยประสบแต่เราก็ได้มาประสบโดยการปฏิบัติอันนี้แหละเรียกว่าปฏิบัติการทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วผ่านกระบวนการต่างๆพูดเหมือนหลักวิชาการแต่มันเป็นแนวทางที่เราทำได้และเข้าถึง อย่างเด่นชัดเพียงแต่คําบริกรรมซึ่งมันเป็นคําบริกรรมที่ท่านพอลีได้ใช้มาตลอดอรหังพุทโธอิติปีโสภควาณะมามิหังทั้งหมดนี้เป็นสิบหกอักขละดังที่ทำได้ทำไปถ่ายเอกสารมาไว้เพื่อแจกให้เพื่อให้ท่านนั้นท่องคํา อรหังพุทโธอิติปิโสพระควาณมามีหังให้ได้ให้ขึ้นใจแล้วก็ท่องว่าให้ได้สิบหกครั้งโดยนั่งนิบนับนิว้วห้านิ้วของท่านนั่นแหละอระหังพุทโธอิติปิโสพระควานมามีหังอรหังพุทโธอิติปิโสพระความามีหังอรหังพุทโธอิติปิโสพระความามีหัง อรหังพุทธโธอิติปิโสภควานะมามิหังอรหังพุทธโธอิติปิโสภควานะมามิหังนี่ได้ห้าครั้งแล้วก็นับไปอีกได้ห้าครั้งก็เป็นสิบนับอีกห้าครั้งก็สิบห้าแล้วก็ว่าอีกครั้งหนึ่งยกนิ้วโป้งขึ้นก็เป็นสิบหอันนี้เป็นการฝึกแล้วก็สร้างพลังจิต สร้างพลังสมาธิให้มันเกิดขึ้นพร้อมกับกำหนดลมหายใจเข้าออกแล้วให้พลังนั้นเกิดขึ้นรวมอยู่กับตัวเราเองโดยมีคำกล่าวว่าพุทธคารวตาธรรมคารวตาสังฆคารวตาพุทโทเมนาโถธรรมโ ม, มนาโถสังโคนาโถ นัตถิเมสระนังอันยังพุทธโหโมธรมโมเมสังโเมสสระนังวรังเอเตนะสัจจวัเชนะโสติเมโหตุสัพพาด้วยพุท ธ, ธานุภาพด้วยธรรมานุภาพด้วยสังขานุภาพด้วยปุญญานุภาพและด้วยเทวตานุภาพด้วยบารมีธรรมและคุณธรรมของบุรพาจารย์ทั้งหลาย ด้วยกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทํามาแล้วในอดีตในปัจจุบันและจักกระทําในอนาคตขอพลังแห่งบุญจงรวมลงที่ตัวข้าพเจ้าคุ้มครองผ่องใภ้ข้าพเจ้าตลอดปลอดภยัยไม่มีอุปัติเหตุอุบัติภยัยและขอพลังแห่งบุญจงเป็นไปตามแรงอธิษฐานของข้าพเจ้า ดังนี้แล้วก็บริกรรมอลหังพุทโธจิพิโซโปะขวานำมามีหังในใจถึงส6บหครั้งแล้วก็หายใจเข้ายาวหายใจออกยาวสร้างพลังจิตให้มันเกิดขึ้นเพ่งไปที่วัตถุใดวัตถุหนึ่งให้พลังจิตของตัวเองที่กำลังเกิดขึ้นและรวมตัวอยู่นี้กระจายหรือ ว, ว่าส่งถ่ายไปที่วัตถุเหล่านั้น อธิษฐานให้วัตถุสิ่งนั้นหนักถ้าพลังของเรารวมลงไปที่น้่นมันก็จักหนักถ้ามันไม่หนักก็ให้หายใจเข้ายาวหายใจออกยาวกัน้นไว้แล้วก็เพ่งจิตลงไปเพ่งกระแสลงไปตามนั้นแป๊บเดียวนั้นแหละก็จะเกิดพลังถ้าทำอยู่อย่างนี้ดึงเข้าดึงออกก็จะได้กำลังนี้เป็นวิธีเป็นรูปประธรรม ที่จะฝึกให้เกิดสมาธิแบบรูปธรรมถ้าทำบ่อยๆก็จะเกิดความสว่างเคยความสว่างขึ้นเมื่อความสว่างเกิดขึ้นแล้วก็ใช้ค า, าถาพระเจ้าเปิดโลกหลวงพ่อพุธเคยกล่าวแล้วก็นำไปใช้สามารถที่จะให้คนที่เป็นสมาธิบ้าง ลืมยังไม่เป็นสมาธิแล้วตั้งจิตเพ่งไปก็เปิดโล ก, กาธาตุอย่างพระพุทธเจ้าเปิดโลกให้เทวดาและมนุษย์และสัตว์นรกเห็นกันในคราวที่พระองค์เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาววัึงที่ประตูเมืองสังกัดสะนครประชาชนที่มาต้อนรับต่างก็ปาถนาความเป็นพระพุทธเจ้า เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเพราะเห็นความอัศจรรย์นั่นแหละจึงเป็นที่มาของคาถาพระเจ้าเปิดโลกซึ่งมีนัมม ะ, ะ, ะพัทพุทโธทีปังกโลโลกะทีปังอากาสะกะสินังวิโสตยิธรมโมทีปังกะโลโลกะทีปังอากาสะกะสินังวิโสธยิ สังโคทีปังกโรโโลทีปังอากาศะกะสินังวิโสทยิแล้วก็มาวาดนามพัทะใหม่ทีนี้ผู้ภาวนาเป็นบ้างแล้วเพ่งไปที่คาถาบทนี้แล้วก็ไล่มนไล่คาถาบทนี้ก็จะเกิดแสงสว่างขึ้นให้ปรากฏแล้วก็อธิษฐานเอา อันนี้เรียกว่าพักผลทํทำให้เราเห็นเหตุเห็นผลนั่นเองดังนั้นสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในเพนที่ได้อัดได้ไปถ่ายเอกสารมาเตรียมพร้อมที่จะให้ท่านทั้งหลายแล้วทีนี้เมื่อท่านทั้งหลายได้มาสะดับตับฟังธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฝึกสมถะเรื่องการฝึกสมาสมวิปัสสนา เรื่องการสร้างปัญญาให้เกิดเรื่องการสร้างคุณธรรมให้มันมีจิตสำเนียกสำนึกและ ล, ะลึกอยู่เสมอแล้วเสร็จแล้วตามภูมิธรรมตามบุญบา ร, รมีที่เราได้สั่งสมเรามีชั่วโบงบินน้อยมันก็ยังค่อยๆเป็นไปก็จะทำให้เราเป็นผู้ยึดมั่นในพระไตรสารณคม ที่เราได้สั่งสมได้บ่มพอตลอดมีจิตเป็นกุศลกุศลและเจตนาเกิดขึ้นไหว้พระสวดมนต์อบรมจิตภาวนาเราไหว้พระเนี่ยทำวัดเชา้าทำวัดเย็นหรือสวดมนต์ก็เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดสมาธิอย่างไม่ต้องตั้งใจก็คืออุปจารสมาธิ โดยไม่ตั้งใจเลยสวดมนี่แหละได้อนิสงฆ์เข้าไปถึงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในสังคมทั่วๆไปถ้าไม่มีการเ พ, รพื่อพืปฏิบัติก็ให้สวดมนสวดมนไปก็เกิดความอิ่มใจอย่างน้อยที่สุดเราก็ว่าได้บุญเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไหว้พระสวดมนมันก็เกิดเหตุเกิดผลขึ้นกับตัวเรา เพราะฉะนั้นในวันนี้ท่านสาธุชนสมาชิกชมลมพุทธศาสตร์ TOT ท, ทุกท่านได้พร้อมกันมาสดับตับฟังพระธรร ม, มเทศนาดูทุกคนแล้วก็มีความสงบสมกับที่เราได้ฝึกปลือกันมานาน บางคนก็อาจจะได้ญาณแล้วญาณก็คือแสงสว่างฌานฌานก็คือความนิ่งของจิตมีพลังญาณแสงสว่างและความรู้เกิดขึ้นแล้วเมื่อเรามาจุดประกายให้ท่านก็จะก้าวไปเป็นตามไปเป็นไปตามระบบดังที่กล่าววันนี้มันเป็นระบบเราจะพิจารณาและปฏิบัติให้เป็นระบบ เริ่มต้นด้วยสมาธะด้วยวิธีกำหนดลมหายใจเข้าออกยาวๆต่อแต่นั้นเมื่อจิตสงบเราก็จะเห็นด้วยความรู้ความคิดมันเกิดขึ้นจิตสงบนั้นมันจะปรากฏหนึ่งเห็น 2. รู้ 3. คิดเห็นรู้และคิดมันจะปรากฏขึ้นมา แล้วนั่นแหละมาจะรวมตัวเป็นปัญญามาพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณากฎไตลักพิจารณากฎเกณฑ์ของธรรมดาธรรมชาติกฎไตลักก็คืออันิจังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงของสังขารความเป็นทุกข์ของสังขารความเป็นอนัตตาของสังขารกฎธรรมดาก็ชาติความเกิดชาราความแก่พยาธิความเจ็บมรณะความตาย แล้วปัจจุพลูมิอริยะขึ้นในตัวเราเองก็มาพิจารณาเจาะเป็นโฟกัสเข้าไปที่ร่างกายให้พิจารณาสังขารร่างกายธาตุสีดินน้ำลมไฟให้เป็นของว่าไม่ของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนถึงแม้ว่ามันยังผูกพันอยู่แต่เขาพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงจิตมันจะโผล่ความรู้ขึ้นมาว่าอ๋อมันเป็นอย่างนั้นจริง อ๋อมันร่างกายของเรามันมีกลิ่นมีของเหม็นเหม็นเปรี้ยวเห ม, ม, ม, ม็นเหม็นเหม็นอับอับมันหมักหมมกันอยู่เกิดแก๊สเกิดอะไรขึ้นให้พิจารณาไปเถอะตามความที่เรามีความเข้าใจอย่างไรในกฎของสาริลศาสตร์แล้วเราก็จะเห็นตามเป็นจริงเกิดขึ้นกับตัวเราก็าจะได้ภูมิอริยะหลังจากนั้น วงจรของอริยมรรคอริยพลมันจะค่อยคอยคืบคลายเข้ามาสู่ท่านท่านไม่ต้องไปอ้างให้พบศาสน า, าพะศีอานหรอกเอาศาสน า, าของพระพุทธเจ้าโคโดมของเรานี่แหละพราเกิดมาไม่บ้าไม่ใบ้ไม่ดวกไม่บอดไม่เสียจริตไม่ผิดมนุษย์มีสิทธิ์ที่จะได้บรรลุคุณธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมด้วยกันทั้งนั้นเพียงแต่ว่าเราตั้งใจ มุ่งมั่นนั้นวิถีชีวิตของตัวเราเองเป็นคาราวาสก็สามารถที่จะเข้าถึงทมได้อย่างไม่ต้องสงสัยไม่มีข้อกังขาว่าเราจะผิดอย่างนั้นผิดอย่างนี้ไม่มีผิดความเป็นมนุษย์ก็เขาสร้างความเป็นมนุษย์มนุษย์มีอะไรเราก็ทําอย่างนั้นไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองแล้ว ก็ดำเนินไปในทางที่ถูกที่ควรทั้งนั้นดังนั้นในวันนี้ได้นำธรรมะสิ่งละอันพันได้น้อยเหมือนหนึ่งว่าเป็นวิชาการแต่มันเป็นการที่จะนำเข้าไปถือประพฤติปฏิบัติได้มาแสดงชี้แจงแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายในเรื่องละชั่วบำเพ็ญบุญทำจิตของตนให้ผองแผ้วก็สมควรแก่กาลและเวลา ก็ขอยุติลงไปเพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีบุญบารมีที่ได้สั่งสมแล้วจงเป็นพลวะปัจจัยเสริมส่งให้ทุกท่านจงเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจหน้าที่การงานทั่งพร้อมไปด้วยสมบัติพัดสถานความทุกข์อย่าได้ความเจ็บไข้ยอย่าเกิดมี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 มีเต็มมิรไม่มีศัตรูเมื่อท่านยังดำรงชีพอยู่ในโลกนี้ขอให้มีสุขภาพพลาดพมัยสุขสมบูรณ์และในที่สุดขอให้ทุกท่านจงได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุคุณธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยโดยเร็วพลันในชาติปัจจุบันนี้จงทุกทุก ท่านเถืน่นเออแล้วตอนนี้ตมามีชีตสำหรับแจกที่เล่าไปเนี่ยคือจะเล่าให้ฟังอันหนึ่งที่อย่างเมื่อกี้เนี่ยประธานท่านเล่าไปนะว่าทําอะไรเหรอมันคือตอนนี้กําลังทําถนนโดยทําคอนกรีตก็ใช้ใช้รถอะไรรถผสมคอนกรีตนั่นแหละอ่าที่พูดไปแล้วก็วันที่สองที่จะถึงคือวันมารืนวันมาลืนนี้ ก็คณะสัญจรสแสวงบุญทางไกลจะไปทอดกระถินวัดเก้าวัดที่ไม่มีไม่ไม่มีเจ้าภาพทอดเลยวัดภูตูมขอรับเป็นเจ้าภาพให้ใช้สถานที่แล้วอำนวยความสะดวกในวันที่สองก็คนที่จะไปจากกรุงเทพนี่ประมาณร2อยสิคนเป็นคณะสแสวงบุญแล้วก็ไปร่วมไปทอด เอาวัดต่างๆมารับกฐินที่นั่นอันนี้แล้วทีนี้แนี่สำหรับที่ได้กล่าวไปในนนเรื่องอันนี้อาตอมาไปเทศไปอบรมที่ออสเตรเลียแล้วก็นี่พวกฝรั่งพวกอะไรเอาไปเขาแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เขาเข้าใจก็เลยนำออกมาทำไว้ตั้งแต่สองพัน กลับมาจากออสเตรเลียเมื่อวันที่29ธันวาคม2549นั่นนะ่ะมาก็หลายปีแล้วก็ไปก็ก็ไปอีกแล้วมันก็ได้ผลเอาไปที่ออไปที่อเมริกาก็ได้ผลก็ใช้วิธีของท่านพอลีนั่นนะ่ะบางทีก็อบรมญาติโยมจนกระทั่งตีสองก็มีฝรั่งมาด้วย แล้วมันแบบง่ายๆแบบให้มันเข้าใจได้แล้วก็เป็นรูปประธรรมฝึกทุกคนนั้นมีพลังเป็นคนมีบุญทั้งนั้นอยู่ในเนี้ยพร้อมที่จะสําเร็จเป็นพระโสดาบันได้ทั้งนั้นถ้าตั้งใจนะตามมาที่เล่าไปนั่นนหะพระโสดาบันนั้นนิดเดียวเพียงแต่ว่าฝึกดูพิจารณากายของเราเนี่ยไปเข้าห้องน้ําก็ให้พิจารณา อุจจาระของเราเนี่ยมันไม่หอมมันมีกลิ่นโอ้นี่นะท่านบอกว่ามันมันร่างกายของเรามันมันเป็นของโสกโปกมันเห็นไม่เห็นตามเป็นจริงไปโรงพยาบาลไปดูที่เขาชํ่แหะอะไรที่เขาผ่าศพพิสูจน์เขาให้มีดูนะ่ะเราก็จะเห็นได้เด่นชัดแล้วก็มาพิจารณานั่นแหละแพ็บเดียวเท่านั้นนหะโยมก็จะเข้าไปถึงเออเห็นตามเป็นจริงแต่มันยังถอนออกไปไม่ได้ ภูมิธรรมของภริยบุคคลขั้นพระโสดาบันนะ่ะยังไม่ได้ถอนออกไปยังมีครอบมีครัวนางวิสาขาสำเร็จเป็นพระโสดาบันตั้งแต่ยุ่เจขวบพอไปแต่งงานนม่ลูกมีลูกชายแปดคนมีลูกสาวแปดคนทั้งสิบหคนนั้นนะแต่ละคนละคนก็มีลูก16คนอีกหลานออกมาก็มีลูกสิบหกคนเลนออกมาก็มีลูก16คน นางวิสาขามีแล้วก็มีเยอะแยะแล้วปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันไปดูบางโยมโยมบางคนนั่งภาวนาเข้าเด่นชัดไปได้โยมไม่ต้องไปท้อแท้ว่าเออเราเป็นคารวะไม่มีโอกาสที่จะไ ป, ไปฝึกฝึกครั้งเดียวสองครั้งสามครั้งเพราะมันเกิดแล้วมันจะอยู่อย่างนั้นหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวนี่นะอันนี้มันจะกระตุ้นอยู่ตลอดเวลา หายใจเข้ายาวๆแล้วก็กั้นไว้หายใจออกยาวมันเป็นการฝึกผายลมผายปอดของเราให้ปอดของเรามันมั น, ม, นมันขายายออกแล้วก็แคบลงแล้วก็เป็นการทดเป็นการผ่อนหัวใจไม่ให้ให้ได้พักบ้างนี่มันการยืดชีวิตเต่านะมันหายใจยาวมันถึงอายุยืนตั้งสามรอปี ถ้าเราหายใจยาวๆเข้าไปเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บที่มันมีอยู่เนี่ยมันก็จะค่อยๆผ่อนลงไม่มีหลายอย่างไม่มีวิธีการใช้ปัจจุบันนะี่แหละต่อไปก็เชิญรับผ่อนอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลการรับผ่อนก็ขอให้แผ่เมตตาและอุทิศแผ่เมตตาให้แก่คนที่มียังมีชีวิตอยู่ ส่วนอุทิตให้แก่คนที่ละไปแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทวดาประจำตัวเราเทวดาที่คอยติดตามคอยอนุโมทนากุศลคือมันยิ่มีเป็นวิกเป็นวิกหรือเป็นเวลาเป็นเวลาการของสวรรค์จะมีเทวะองค์การสั่งเทวดาตัว น, นี้ตัว น, นี้ก็ไม่ไม่มีที่จะมารับสนบุญจากมนุษย์ ก็จะมีเทวาองค์การนะอยู่ตรงจุดนี้นะจุดนี้นะแล้ว <c oughs> คอยติดตามเราดังนั้นก็แผ่ อ, อุทิศส่วนกุศลให้ให้เขาได้สมความปาถนาท่านต้องการอะไรก็สมความปารถนาของท่านแล้วก็จึงแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะเทวดานี้เพราะละนี้คอยติดตามผลบุญผลกุศลที่เรากระทำตลอดเวลาเทวดายุคนี้เป็นเทวดาสมาธิเป็นส่วนใหญ่ พอได้ฟังเทศจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแล้วทั้งนั้นนะครก็ต้องการบุญเราจะทำอะไรก็ตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้ <c oughs> ยะทาวารีวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิตโตทินังเปตนังอุปกปปัปติ อิจิตังปฏิตังตุยหังคิปเมวัสบิจสตุสเพปุเรนตุสังกปาจันท โ, าาโทพรนาโซยะถามนิชโชธิระโซยะตถาสาสพิติโยวิวชัชชนตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีติสะนิจังวุธาปจจาน จตาโรธรรมวัฒนตีอายุวัณนโนสค ข, ขังพลังเอวังหตุเอวังหตุเอวังห ต, งหตุสิ่งใดที่ท่านปรารถนาแล้วสิ่งใดที่ท่านต้องการแล้วสิ่งใดที่ท่านพึงประสงแล้วขอสิ่งนั้นที่ท่านปรารถนาแล้วที่ท่านต้องการแล้วที่ท่านพึงประสงแล้วขอจงสำเร็จ ขอจงสำเร็จและขอจงสำเร็จแก่ท่านตลอดกาลและนานเทิน